วันนี้จะเทศเพิ่มขึ้นคือเทศวิปัสนาให้เอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาจิตที่มีอารมณ์เดียวนะไม่คิดนึกสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองเอามาคอยรู้รู้ว่าจิตสงบ รู้ว่าจิตที่ไม่สงบเป็นเพราะอะไรเราต้องหาสาเหตุหาสาเหตุของการที่จิตสงบหรือไม่สงบเนะีเวลาเราทำทำไมมันไม่สงบทำไมมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ล, ลองพิจารณาคอยสังเกตลมหายใจเวลาลมหายใจมันสงบระงับลงมันก็มีอารมณ์เดียวมันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ฟุ้งซ่านมันตั้งเที่ยงตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ หรเรียกอย่างหนึ่งันเป็นสมาธิเอาตัวสมาธินั่นแหละมาพิจารณากายนี้พิจารณาให้เห็นว่าตัวของเรานี่ประกอบด้วยอะไรบ้างตัวตนของเราที่เรายึดถืออยู่นี่มันประกอบด้วยอะไร มันประกอบด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยกระดูกเรียกว่าอาการสาสบสองเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บดันตาฟัน ตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นเรื่อยไปประกอบด้วยเนื้อด้วยหนังตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกลือในกระดูกม้ามตาปอด ใซ่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ประกอบเป็นส่วนขึ้นมาถ้าจิงว่ากรัชากากก่กเกิดแต่น้ำที่มีอาการที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ให้คอยรู้รู้ตัวของเราเนี่ยแหละ ให้สังเกตดูง่ายๆแค่นี้ก็พอคือให้สังเกตว่าส่วนนี้เป็นหนังที่หุ้มห่อร่างกายไว้นี่คือหนังเราเห็นแล้วหนังส่วนที่เป็นเนื้อก็เนื้อทั้งหมดในร่างกายของเราส่วนที่เป็นกระดูก ก็อยู่ในกายของเรานี่แหละถ้ากระดูกไม่มีก็หมดท่าเลยคนให้พิจารณาลงไปว่าของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเกิดขึ้นได้มันกระดับได้ให้พิจารณาลงไปว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ยังหนุ่มก็เป็นอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นอีกอย่างหน้าตาสมัยห น, มหนุ่มยังสาวอยู่ก็เป็นอย่างหนึ่ง ดูสวยสดงดงามแต่พอตอนนี้มันเป็นยังไงอธิบายเอาเองนั่นแหละมันเสียสูญได้หมดแหละจะดึงเท่าไหร่มันก็มาอยู่ว่าไม่ให้มันแก่มันก็แก่ ว่าไม่ให้มันเก็บมันก็เก็บว่าไม่ให้มันตายมันก็ตายปูดง่ายๆทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายทุกคนแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองจาก็คือร้อยปีร้อยยี่สิบปี ัวตายช้ายี่สิบสามสิบปีตายเร็วห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมาอยู่คัดนี้แหละอายุระหว่างนี้แหละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่มีโรคภัไข้เก็บเบียดเบียนเป็นไปต่างๆ โรคเยอะแยะไม่รู้ว่าโรคอะไรบ้างโรคผิวหนังโรคกากโลกเกลยนโรคคันขายตามร่างกายเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคกระดูกเป็นโรคตาเป็นโรคหู เป็นโรคฟันเป็นโรค ก, กระดูกเป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอ้เป็นโรคมะเร็งนี่ก็พอใขรเป็นเข้าไปก็นับวันเลยบีย้แกยังไงก็ไม่หายใส่ยาสมุนไพรบ้างใส่ยาหลวงบ้างอะไร อย่านอกอย่างดีมาฉีดให้มันก็ไม่อยู่อยู่ได้ก็ไม่เกินเป็นเดือนสองเดือนถ้าเป็นมะเร็งแล้วก็ตายเลยในครั้งพุทธกาลคนเป็นโรคท้องอืดนนกินอาหารแล้วไม่ย่อยไม่มีอยา ก, กิน ยาอะไรใส่ก็ไม่หายมันไม่มีพอท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยแล้วก็ตายแล้วคนก็ชอบเป็นโรคนั้นแหละถ้าเป็นแล้วก็ไม่ข้ามคืนตายเลยเช่น อ, อย่างนายโกตุฮาลิกกินข้าวมันทุปายาตอิ่มหนำสำลานพอกินอิ่มแล้วตวกกลางคืน ตอนกินก็เมียก็บอกว่ากินเถอะพี่กินเถอะพี่หิวมานานเต่า ก, ก็กินเอากินเอากินข้าวมาถูปายาดิกินยนต์อิม่มเพราะตัวกาคืนมานอาหารไม่ย่อยก่อนจะตายก็คิดถึงหมาหมามีอาหารกินอุมสมบูรณ์ เรานี้ไม่มีอะไรจะกินเลยเราอยู่ที่นี่แหละบ้านเศรษฐีนี่แหละนายโกตูฮลิกกับเมียไปอาศัยบ้านเศรษฐีอยู่เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นลูกจ้างเขาพอตกคืนมาก็ตายใจคิดถึงหมาก็เลยไปเกิดเป็นลูกหมาเนี่ยปัจจุบันนี้ กับแต่ก่อนทุกวันนี้ถ้าเราเป็นท้องอืดปับ๊บยา ก, กระต่ายบินยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงใส่เข้าไปหายเลยแต่ก่อนมันไม่ยาใส่หรอกแต่ปัจจุบันมียาใส่มันก็ไม่เป็นหรกนี่เป็นก็เป็นธรรมดาเป็นแล้วกินยามก็หาย เป็นมะเร็งสิตอนนี้เป็นมะเร็งก็ไม่รู้ว่าจเจ้ายาอะไรใส่ถ้าอีกพันปีข้างหน้าเขาอาจจะสกัดยานี่ได้มะเร็งก็จะไม่เกิดเกิดแล้วก็ใส่ ย, ยาปับก็หายแต่ตอนนี้ยังหายาไม่เจอ หาโดยวิธีนั่นวิธีนี่สังเคราะห์ อ, อะไรต่างๆขึ้นมานี่แหละคือความไม่เที่ยงของร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเกิดแก่เก็บตายพูดง่ายๆว่าเกิดแก่เก็บตายเกิดได้แก่ได้ตายได้เ ก, เก็บนั่นเก็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นไข้เป็นหนาวเป็นมะเร็ง แต่ก่อนตอมาเขาไม่เข้าใจหรอกมะเร็งคืออะไรเนอะคือเป็นขี้ทูดคุดถังหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเห็นแล้วโอ้คนเป็นมะเร็งนี่อยู่ไม่นานสองสามเดือนบางทีบางทีหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตายภายในสามคืนไม่เกินนั้นบางคนไปหาหมอแล้วหมอเขาท้วงว่าคุณเป็นโรคมะเร็งขั้นสามแล้ว ท่นรุนแรงแล้วลูกไปลูกนั่งพานังรถกลับบ้านลูกไปซื้อของในตลาดให้พ่อนั่งอยู่ที่รถกลับมาพ่อตายเลยอันนี้ตายเพราะว่าขัวมะลิงกลัวต า, ตายเลยตายเลยลูกกลับมาพ่อตายเลยคือตกใจจนเกินไปนะ เคยไม่เคยพิจารณาเนี่ยไม่พิจารณาถึงความตายไม่เพราะพิจารณาว่ากายนี้จะต้องตายลองพิจารณาเข้าไปดูสิมันตายทั้งนั้นเน่ปู่ย่ยาตาทวดของเราตายไปหมดแล้วหรือแต่ชื่อบางทีจำไม่ได้ด้วยซ้ำเราเป็นเด็กอยู่ท่านก็ตายไปแล้ว ชื่ออะไรก็ไม่รู้มาคิดอีกทีอา้าวไม่รู้ชื่ออะไรถามคนอื่นคนอื่นก็ไม่รู้ครอบครัวอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรตาทวดอะชื่ออะไรปู่ทวดอะไม่รู้เลยตายไปแล้วตาของเรายายของเราปู่ของเราญาของเราตายแล้ว พ่อแม่ของเราตายแล้วบางทีลูกผัวของเราตายแลวบางทีเมียของเราตายแล้วให้พี่นาลงมาที่ตัวเราว่าใ ห, ให้เห็นชัดว่าตัวของเรานี่จะต้องตายกันนี่คือความจริงแต่่าคนก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับว่าจะตาย แต่ความจริงมันต้องตายถ้าให้พิจารณาให้โปรงให้โปรงลงว่ากายนี้จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเราจะต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาให้มีมรรคมีผลเกิดขึ้น ให้มาเกิดผลเกิดนิพพานเกิดขึ้นที่ใจของเราเวลาที่ล่วงไปหลายปีเรายังไม่ได้ทำดีเรายังไม่ได้ตายก่อนเรายังมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอยู่ให้เราพิจารณาลงไปอย่างนี้แหละว่าเรานี้ยังไม่ตายแต่ว่าสักวันหนึ่งครั้งหน้าก็ต้องไม่ไม่เว้นนี้ไม่รอด ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเราต้องพิจารณาให้เห็นธรรมเสียก่อนมันเป็นธรรมอย่างหนึ่งพิจารณาให้เห็นให้เห็นความไม่เที่ยงในตัวตนของเราแต่ก่อนเราเป็นเด็กเป็เล็กต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เป็นคนวัยกลางคนต่อมาก็เริ่มแก่หกสิบเจ็ดสิบก็เริ่มแก่และ แกให้เห็นชัดๆลงไปเลยหน้าตาแต่ก่อนเป็นอย่างหนึ่งปัจจุบันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก็น่าเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนี่คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเราเนี่ยว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ ให้วางวางความยึดมั่นถือมั่นวางความสาคัญมั่นหมาย่าตัวตนของเราจริงจรงคิดว่ามันจะไม่แตกไม่ดับจะไม่ล้มไม่ตายเราลืมนึกถึงความจริงความจริงมันเกิดแล้วมันต้องตาย พี่นาอย่างนี้เข้าไปให้มันเห็นชัดตัวเรานี้ประกอบด้วยอะไรเราก็เห็นชัดประกอบด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟธาตุดินก็คือเขื่อนแข็งทั้งหมดส่วนที่เป็นแข็งแข็งทั้งหมดที่จับต้องได้ส่วนน้า น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหมูกน้ำลายน้ำมูดเนี่ยอันนี้ส่วนนี้เป็นน้ำส่วนที่เป็นลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ก็มีอยู่ในกายนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมเป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายคือ ถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟถาดไฟไฟยังกายให้ อ, อุ่นฟไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยไฟยังกายให้สุดโสมเนี่ยมันมีในนี้ ถ้าเราเป็นรมภากหรือเป็นอะไรก็มันลมก็เดินไม่ได้ไฟก็เดินยากถ้าไฟไม่พอคนก็ตายเหมือนกันถ้นหนาวเกินไปตายหนาวก็เหมือนกันหนาวก็เป็นอาหิวาหนาวขาดจากร่างกายตายเหมือนกัน ลมเหมือนกันลมเหมือนกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราตกไปในน้ําลยมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เป็นไปตามปกติธรรมดาก็ตายเหมือนกันเดี๋เอาอะไ ร, ะไรมาอุดปากอุดจมูกไว้ไม่ให้ลมเดินได้ตายเหมือนกันอันเนี้ เวลาคนป่วยเขาถึงเพิ่มเพิ่มลมให้โดยการที่เรียกว่าออกซิเจนเนี่ยพอใส่ออกซิเจนเข้าไปก็เออหายใจโลกหน่อยไแต่พอถึงจะตายแล้วลมดีป่ะไหนก็ตามก็ตายอีกเนี่ยพิจารณามาที่ตัวเราอย่างนี้วันที่เราจะตายจากโลกนี้ไป ก่อนที่เราจะได้เราต้องทําดีไว้ให้ได้ทานเราให้พอหรือยังเราอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นคนร่ําคนรวยเราไม่กินไม่ทานไว้ไม่สร้างน้าําทาบุญไว้มันจะรวยได้ยังไงอยากจะเป็นคนมีเงินมีทอง ม, มากๆ ก็เราไม่เคยทาบุญทำกุศลไว้เลยมันจะไปได้ยังไงมันจะมีได้ยังไงมันก็ไม่มีเพราะเราไม่กินมาทานไว้สมบัตินี่เป็นสมบัติทิพย์นะี่สมบัติและประเสริฐคือบุญเราต้องสร้างบุญไว้บางคนทำบุญไว้ก็เห็นปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวเห็นขึ้นมาเลยแต่ก่อนไม่ค่อยมี แต่ปัจจุบันนี้มั่งมีสิสุไม่อดไม่อยากแต่ก่อนทำบุญเอ่อทงานทําการได้เดือนละหมื่นแต่ปัจจุบันนี้ดเดือนละสามแสนนนเพราะอะไรเพราะเคยได้ทำบุญเงินสามแสนไว้นั่นเรียกว่าเราได้ไดบุญถ้าเราไม่ได้ทำไว้มันไม่เกิด มันไม่เกิดแก่เราตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะอะไรเพราะบุญไม่มีไม่มีฐานไว้ไม่ได้บริจาคไว้บุญไม่มีเมื่อบุญไม่มีจะให้มันเกิดยังไงมันก็ไม่เกิดยาได้ปานไหนมันก็ไม่มีไม่เกิดไม่มีขึ้นมาได้ เพราะเรามาได้ทำบุญไว้ถ้าเราทำบุญไว้ภาวนาก็ไปดีมันเนื่องกันมันอุ้มชูกันท่านจึงให้ให้ทานให้ให้ทาน มากขอตามน้อยก็ตามให้ไว้ทําบุญไว้ตามกําลังศรัทธาของเราตามกาลังทรัพย์ของเราเราทําบุญจิตใจของเราก็ผ่องใสขึ้นมาเมื่อเราให้ทานได้การรักษาศีลก็เกิดขึ้นก็อยากเว้นจากความชั่วเพรรักษาศีลดีเข้ า, อ ย, า, าอย่างเราทําอยู่เดี๋ยวนี้เราก็รักษาศีล ศีลก็หนุนให้เกิดความฉุกความสงบทางใจเราก็อยากภาวนาอยากทำสมาธิอยากหัดนิัสสนาให้เห็นชัดขึ้นเราต้องถามความดีไว้ให้ได้เราเกิดมากว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วพบพบพบทันที ตายไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็เพลิดอยู่ในความสุขนั่นแหละมนเป็นสุขในสวรรค์เราก็เพลิดอยู่ในความสุขพอใจอยู่ในความสุขก็ไม่ได้คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูแล้วเราลงมาเกิดเราลงมาปฏิบัติธรรมมันไม่ได้คิดอย่างนั้นคือเหมือนเราเป็นคนนี่แหละไม่มีใครอยากตายสักคนนี่ถึงว่าเขาว่าตายแต่าตายคุณตายวันนี้คุณได้ไปสวรรค์แน่นอน แล้วก็ม่อยากตายอยากอยู่อยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยากอยู่แต่พอมีชีวิตอยู่ได้รู้จักว่าโอ้การทำความดีต้องรีบทำต้องรีบให้ฐานรักษาศีลภาวนาต้องรีบปฏิบัติอย่ารอวันรอเวลาเพราะความตายเป็นของไม่แน่นอนนัน เราจะให้ทานก็รีบให้อย่าไปรอว่าวันนี้พุ่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปรอเพราะความตายเรากำหนดไม่ได้อัเจเชวกิจมาตัปังโกเชนยามะะหนังสุยอย่าไปคิดผัดวันประกันพุ่งอย่ไปคิดว่าความตายจะรอวันนั้นวันนี้มันไม่ได้บอกเรานั่นแหละให้รีบ คนขวายทำความดีไว้ให้มากถ้าเราทำไว้เราเป็นมนุษย์เราก็รวยเป็นเทพเป็นเทวราเราก็รวยเป็นคนมีลงมากเกิดอีกก็เป็นคนมีทรัพย์มีเงินมีทองมีข้าวมีของไม่อดไม่ยากอะไระ อันนี้ก็ประกอบส่วนในการพิจารณาที่เทศมานี่ในการพิจารณาว่าคนเราก่อนจะตายต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีไว้ทร <c oughs> ัพย์สินสมบัติในโลกนี้ร้อยล้านพันล้านที่เราสะสมไว้มันไม่มันไปกับเราไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลไว้ก่อนมันไปกับเราไม่ได้มันตกเป็นของลูกของหลานของคนอื่นไปเขาเสวยสุขแต่เราเสวยทุกข์เพราเราไม่ได้ทำไว้เราไปห่วงเขาเรามีแล้วเราก็มีแต่เก็บแต่เก็บแต่เก็บไปไม่คิดทำบุญทำกุศลเราจะได้อะไรไปด้วยเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มี บสเคยไม่เคยได้สร้างศาลาไม่เคยได้สร้างกุฏิไม่เคยได้สร้างเราสร้างไว้ทําไว้อุฏิวิหารน่ะเราสร้างไว้ทําไว้นั่นเราได้บุญนะั้นนั่นได้ความสุขแต่เราไปอยู่สวรรค์ วิมานของเราคือที่เรามีนั่นแหละที่เราสร้างไว้นั่นแหละเราสร้างกุฏิไว้สร้างโบสถ์ไว้สร้างศาลาไว้วิมานของเราก็คือโบสถ์คือศาลนาะคือกุฏินั่นแหละอันนี้เราทาไว้มันเป็นสมบัติของเราที่เราได้ไปด้วย เราจะไม่ขาดข้องในที่อยู่ที่อาศัย mm. เกิดชาตไหนพบไหนพร้อมที่จะมีขึ้นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านเอาไปไม่ได้ถ้าไม่ทําบุญไว้เราทําบุญไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือของเรานั่นแหละคือสมบัติของเรา เราทําบาทหนึ่งเราก็มีบาทหนึ่งนั่นแหละเราทำห้าบาทก็มีห้าบาทนั่นแหละเราทำยี่สิบาทเราก็มียี่สบาทนั่นแหละนั่นแหละคือสมบัติของเราที่เราจะไปด้วยได้แต่เราไม่ได้ทําไว้มันไม่เกิดหรอกอยากมีอยากร่ำอยากรวยป่านนั้นก็ตามมันได้เกิด บางคนนะถ้าได้ผัวฝรั่งแล้วจะร่ำรวยพราะเขามีเงินไปเจอฝรั่งที่ไม่มีมันก็มกีเหมือนคนลาวคนไทยเรานี่แหละคนจนก็มีคนรวยก็มีฝรั่งรวยก็มีฝรั่งจนก็มีไปได้ผัวฝรั่งก็คิดว่าต้องมีเงินก็ไปเจอฝรั่งจนเขาให้บ้านี้ ก็อยู่กันไ ป, ปรอด ย, ยากๆเพราะอะไรเพราะทาบุญไว้ไม่มีไม่มากมันไม่เกิดในพ่อฝรั่งก็จริงมันไม่ร ว, วยอยากรวยเยอะแต่มันก็ไม่รวยเพราะอะไรเพราะไม่มีงานมีการทําหางานทําก็ยากอนเนี้ย ในพวกลาล์มันถึงรวยไม่รวยบางคนก็จนเหมือนกันเป็นฝรั่งจนจนเหมือนกันรวยเขาก็ไม่ให้เราเขาแบ่งให้นิดดหน่อยยิ่งฝรั่งแล้วก็ยิ่งมีความผิดแปลกกันไปอีกจากว่าเพณีมไทยคนไทยนี่พวเมียทําได้ใช้ด้วยกันกระเป๋าเงินเดียวกันฝรั่งกระเป๋าใครกระเป๋ามัน เงินไครเงินมันใครหาได้ก็กินไครหาไม่ได้ก็แล้วไปเป็นผัวเป็นเมียกันก็ตามนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันประเพณีมันต่างกั น, น, น, กนวัฒนธรรมมันต่างกันอย่างคนไทยเรานี้ทําเมียมีผัวก็พลอยมีด้วยผัวมีเมียก็พลอยมีด้วย เงินกระเป๋าเดียวกันกินทานสร้างน้ำทาบุญก็พร้อมใจผัวเมียไม่ขี้เหนียวไม่ขี้ตะนีเราเกิดมาแล้วก็โอ้ไม่อดเลยภานุรุทธะน่ะได้ทำบุญทำกุศลไว้ พอเกิดมานี่เขาว่ายากเขาว่ายากจนอยาได้มีแก่ข้าพเจ้าว่างันอธิษฐานไว้พอเกิดมานี่ไปเล่นกีฬาอยู่อยากกินขนมก็ให้แม่ส่งมาให้พมารดาส่งมาให้แล้วก็กินกันหลายครั้งเขาก็หมดไม่มีขนมส่งไปให้ ก็เอาฝาเปล่าๆกับหม้อกับนั่นปิดกันแล้วก็เอาไปให้พอเปิดขึ้นขนมเต็มอยู่เลยเพราะบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลที่เคยสั่งสมไว้ในสำนักพระปฏิเจ้าขออธิฐานว่าเกิดมาชาติไหนพบไหนอย่าได้พบความยากความจนอย่าได้พบความสิ่งที่ไม่มั่งมีสีสุ ขอให้ได้พบแต่สิ่งที่ร่ำรวยบ้างมีคำว่าคาว่ายากจนหรือไม่มีอย่าได้ให้พระเจ้าได้ยินโอ้โหขนมนี่ทำไมดีแทอร่อยด้วยหอมด้วยวันหลังเอาอีกขอให้พ่อมาดาส่งขนมไปให้พ่อมาดาก็ไม่ได้ทำขนมไปให้ก็าฝาปิดหม้อแล้วก็สกไปให้ เพราะว่เรามีขนมในนั้นเลยไม่รู้จักคำว่าไม่มีนะพ่อบุญกุศลที่ทาไว้เนี่ยให้ผลในชาติตปัจจุบันแล้วยังให้ผลในชาติอดีต ด, ด้วยให้ความสุขความเจริญแก่ตนด้วยมหมายเขาบอกคนเรายังท่องเที่ยวเว้นว่าตายเกิดอยู่มันยังไม่หมดเพราะยังไม่ถึงเป็นพระอรหรันต์พระอรหันต์จึงไม่กลับม า, มาเกิด ไม่มีพบมีชาติอีกแล้วมีแต่ความสุขในที่นิพานมันไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนได้นตฏิสันติปลังสุขขังไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนแต่ว่าเราทองเที่ยวเวียนว่ายแต่เกิดในโลกนี้อยู่ถ้าได้เป็นพระสดบันก็เกิดในเกิชาตินี่ในเกิดชาตินี้เรา ต้องมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลของเราที่ทําไว้เราสร้างไว้เราทําไว้มันก็เกิดบุญเกิดกุศลเกิดสมบัติต่างๆมังมีสีสุขอาจจะมาประกันได้เลยว่าในนี้ต้องเกิดทุกคนต้องเกิดอีกแน่นอนเพราะอะไรเพราะเรายังนั้นได้เป็นพระอรหรันต เรากำลังจะพยายามที่จะเป็นผ้าลหันแต่มันยังไม่เป็นมันยังไม่ถึงอุปกุศลมันยังไม่เต็มบารมีมันยังไม่เต็มก็ต้องฝึกหัดหลายครั้งหลายหหนเข้าจนกว่ามันจะเป็นถ้าเป็นผ้าลหันแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นุูิชุนอยู่หรือเป็นอริยบุคคลอยู่เราก็ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายใจเกิด การมาเกิดของเราก็ไม่ใช่ว่ามาเกิดแล้วเพื่อจะมีความสุขเลยไม่ใช่เงนบุญกุศลเราไม่ทำไว้มันก็จะไม่มีความสุขแหละทรัพย์สินสมบัติมันก็ไม่มีมากเพราะเราไม่ได้ทำไว้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่เกิดจะให้มันเกิดก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ทำไว้ไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้บริจาคไว้ เราไม่ได้ทำบุญามบุญสนไว้มันไม่เกิดจะให้มันเกิดก็ไม่เกิดเพราะนั้นท่านถึงเตือนไว้ว่าให้เกิดมาแล้วให้มีกินมีฐานฐานชีนภาวนาเป็นทางไปพระนิพพานเนี่ยทางไปสู่ความสุขความเจริญต้องกินต้องฐานต้องทำน้ำสร้างน้ําทําบุญไว้อย่าได้ประมาท เพราะว่าใบและชีวิตของบุคคลไม่แน่นอนมีเกิดขึ้นในเมืองต้นมีแก่ในธรรมกา่ามีดับสลายตายไปในที่สุดคนเรายังมีเกิดมีตายอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้สำเร็จถ้าสําเร็จตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าไม่สาเร็จก็ ได้คุณธรรมชั้นรองลงมามันก็ต้องมีเกิดเกิดมาก็ต้องมีบุญต้องมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีโภคค้าสมบัติมากมายมันก็ถึงจะมีความสุขในโลกนี้ได้อยู่บ้านนอกบ้านหนาที่เขากินอยู่เขากินเขากินเขาก็อร่อยแต่เราไม่มีกินเราก็ไปเดินดูเขา เวลางานประเพณีตามหมู่บ้านงานกระิ้นงานบุนพรพเวทสันดออะไรต่างเขามีเงินซื้อขนมกินแล้วก็ไม่มีเงินซื้อขนมกินเราก็ไปยืดกินน้ำลายเยอะแยะอยูอๆๆ่นั่นเนยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเงินทำไมจึงไม่มีเงินอ้าวเราไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยมันก็นไม่เกิดไม่มีขึ้นมาในตัวเรา เราไปเกิดในตระกูลก็เกิดคุณยากจนตระกูลลําบากเพราะเราไม่ได้ทำบุญนักกุศลไว้จึงว่าคนที่ยังเปลี่ยนไหตายเกิดอยู่ในวัฏะโสารนี่ต้องสร้างบุญไว้แต่ก็จะสําเร็จเป็นมรคนิพานอยู่เป็นนิสัยปัจจัยได้มรได้ผลเราได้อยู่แต่วันยังไม่หมดมันถึงมีการเกิด ถ้าเราเจะเกิดอยู่ก็เราต้องมีบุญบุญกุศลพอเพียงไม่อดไม่อยากไม่อยากไปจนมันให้ผลตั้งแต่เราทำนั่นแหละเราคิดจะทามันให้ผลแล้วเราทำลงไปก็ให้ผลทำเสร็จแล้วก็ยังให้ผลตายไปเกิดชาติใหม่ยังตามให้ผลอีกในชาติใหม่พบใหม่ภูมิใหม่ มันเป็นสิ่งน่าอาจจัศจรรย์จริงๆนะเรื่องของบุตรนี่นะมันเป็นสิ่งน่าอาจจจัศจรรย์มาให้ผลเป็นความสุขจริงๆอัตมาเป็นพระอัตมาก็ทำนะก็รู้ว่าค ร, รูบาอาจารย์โอ้องนั้นท่านสำเร็จแล้วองนี้สำเร็จแล้วในอนิสงส์แรงแล้วก็ไปทำแต่ก่อนมันก็ลาบากแต่ทาบุญบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขามันก็เกิด ได้ปัจจัยมาเป็นของส่วนตัวเอาส่วนตัวทำบุญถ้าไปทำกับภาะกับเนนก็ทำกับครูบาอาจารย์ผู้ท่านที่สำเร็จมกรดนีนิพานแล้วก็ไปทำบุญกุศมก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำความดีไม่ได้ทำให้คนอื่นมันทำให้ตัวเราเอง ให้เราเนี่แหละถึงความสุขความเจริญไม่ใช่ให้คนอื่นเราทำไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือสมบัติของเราเราไม่ได้ทำไว้ไม่มีสมบัติถึงจะมีเงินมากก็ะแตร้ลายล้านพันล้านก็ไม่เป็นไรโน่นคนจะใช้คือคนลูกหลานโน่นโยคนึ่งมีเงินหลายร้อยหลายพันล้านพอตายแล้วไม่ไม่มีสามี สามีท่านไปก่อนแล้วทำบุญนอกจากทำยู่แต่ทำไม่มากทำพอประมาณพอตายแล้วเลยโอ้โหสมบัติร้อยล้านบานล้านแบ่งให้ลูกบุญธรรมสี่คนได้นคนละหลายร้อยล้าน เขาไม่ลำบากยากเหนื่อยยากเหมือ น, มนเราเลยเขาอยู่ดีเขาก็ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้า น, นแต่เราก็ได้เก็บเศษเก็บเลยเรียกแค่น้อยทาบุญไว้ถ้าเป็นน้ําก็หยดเดียวสองหยดทําไว้แค่นั้นเองน้ำในทะเลมหาสหมุทรมันกลายเป็นของคนอื่นมดแต่เราได้น้ําหยดเดียว ตัวน้ำแก๊กๆๆ 4,000 ๊สี่พันห้าพันอย่างดีไม่เกินแสนที่อยากคิดทำเป็นเงินล้านนี่ไม่ไม่กล้าทำเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้พบครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนไม่เห็นอันนี้ทรงของบุญของกุศลไม่เห็นบุญเห็นกุศลเป็นของควรทำ ควรสร้างไว้กับตัวเราถ้าเรามีบุญนะมาปฏิบัติธรรมนี่ก็ได้ไวขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นนั่งสมาธิมันก็เป็นสมาธิไวเพราะบุญกุศลเนี่ยเหมือนพระนุรุธาน่ะท่านสร้างบุญท้ากุศลได้มากในอดีตเพราะท่านเป็นคนจนท่านมีสมบัติปุ๊บแล้วก็สร้างเลย ก็สร้างก็ บ, บุญพระคุณแล้วก็ตามให้ผลทุกพบทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไปมนุษย์กับเทวดาไปไปมาในวันตานี้พอได้ปฏิบัติธรรมในสำนักพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หูทิพตาทิพย์ด้วยสามารถรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าดับกิจลงตัวไหนวางลงตัวไหนท่านเท่าสารดูเห็นชัดหมดเลยเข้าสมาธิแล้วก็ ตรวจตามที่พระพุทธเจ้าตามกิจพระพุทธเจ้าไปเห็นหมดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในตอนนี้อยู่อาการอย่างนี้อย่างนี้อธิบายไว้ให้พระที่อยู่ที่ไม่มีตาทิพย์เหมือนท่านทิพย์ไม่มีทิพย์ประจักษ์สูงเหมือนท่านก็ได้รู้ได้เห็นตามด้วยได้ดินได้ฟังด้วยว่าพระพุทธเจ้าเข้าชานถึงตรงนี้เอากิจไปถึตรงนี้วางลงนี้ผ่านตรงนี้บอกไว้หมด ถ้ากาได้เป็นพระราหันมีเกี่ยวเสียงในครัง้งพุทธกาลก็ขอท้าบุตรท้าบุตรสนไว้แล้วนถ้าไม่ทามันไม่เกิดหรอกสลาที่เราใช้เราอยู่นี่เรามาปฏิบัติธรรมนี่โอ้ยก็เงินที่คนบริจาคมาทำบุธบารมีมันถึงได้ขนาดนี้ สมัยก่อนเงินกี่ล้านแปดล้านนี่มันหายากมากเลยตัึงว่าการว่าเกิดอีกจะได้มีแล้วก็อยากให้ได้มาสร้างสลาเพราะมันทุกคนยากมันเป็นขึ้นมาได้ยังไงมันก็เป็นขึ้นมาด้วยจากบุญจากกุศลที่ญาติโยมทำไว้นั่นแหละ เรามาอยู่ก็สบายภาวนาสบายที่นากายก็เห็นชัดลงไปเพราะมันสบายแล้วอากาศก็ไม่ร้อนแต่ก่อนมันก็ไม่มีแอรเอะไรอันนี้ถ้าเปิดหมดทุกอันนียก็เราเป็นไข้หวัดกันหมดเลยมันเย็นเกินไป เรานั่งเฉยเฉยยังอยากคิดกลับบ้านเดี๋ยวมันไม่ถูกสามวันมันต้องเป็นอย่างไรมันเหนื่อยมากไม่ได้เห็นเห็นทำก็เหนื่อยเมื่อยแม้เห็นอะเห็นทำอก็เหนื่อยเมื่อยเหมือนกันอาตมาก็เหนื่อยเมื่อยเหมือนกันเหมือนกับท่านโยมเลยเมื่อยขนาดไปนั่งนั่งติดต่อกันเหมือนท่านตายเลยท่านตายท่านนั่งติดต่อหลายวันเจ็ดวันเนี่ท่านนั่งท่านตื่นท่านทำโอปปาคมเพียน ถ้าก็เก็บเหมือนกันเสร็จงานก็ต้องบริการนวดให้กันทำไมอย่างนั้นอัตมาก็เก็บนั่งเหนื่อยเหมือนกันถึงภาวนาเป็นแล้วก็ตามจะเหนื่อยเหมือนกันอยากโยมเหมือนกันเนี่ยพุทธิได้แล้วก็มีพุทธิยน่นพบ ว, ว่าแต่สงสารไว้ได้แล้วก็มี แต่ทำไมมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเหนื่อ ย, ยตัวร่างกายเราไม่เคยมานั่งอยานานๆป่านนี้ทีคิดอย่างนี้กลับบ้านก็มีไปขอลากับบ้านก็มีจะไปฝึกอยู่ที่บ้านเป็นแล้วถึงจะมาโอ้ยขนาดฝึกอยู่ที่ยังไม่เป็นจะไปฝึกที่บ้านให้มันเป็นก็เสร็จแหละที่บ้านมันเรื่องยุ่งมากขึ้นเลย เดี๋ยวเสียงเด็กเสียงนั้นีนี่คนทานั่นทานี่รบกวนต่อเวลามันจะไม่ได้อะไรขนาดมาอยู่ที่เงียบสงบมีความพร้อมปรับอากาศได้ยังดีอะไรต่งตางๆเราวนี่เราอยู่นี่นี่ก็บุญของเรานนเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่ได้มาใช้สถานที่แบบนี้นี่ก็เป็นบุญของเราเหมือนกันเรามาอยู่แล้วก็สบาย ภาวนาก็ขึ้นจิตใจก็สงบดีพี่นาก็แจ่มแจ้งเห็นชัดเห็นจริงขึ้นมาในตัวตนของเราให้เลให้พี่นาดูพี่นาจนเห็นชัดลงไปในตัวของเราเนี่ยว่าตัวของเรานี่มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดา หนีอยากความเกิดความแก่ความตายไม่ได้ถ้าไม่สาเร็จเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ตายแล้วก็ไม่เกิดอีกเลยมีความสุขกว่าความสุขใดๆทั้งสิ้นที่เราสุขอยู่ดีได้กินได้นอนได้ฟังเพลงฟังลําว่าเรามีเ่าเรามีความสุขความสุขเยอะ แต่ความสุขนั้นไม่กิ่งไม่เป็นอมตะเป็นความสุข ช, ชั่วข้างชั่วคราวถ้าเราอยากได้ความสุขแน่นอนเราต้องปฏิบัติทำให้มากขึ้นไปกว่านี้อีกทํากิจของเราให้สงบเอากิจที่สงบแล้วมาพยายาิจารณาในตัวตนของเราเนี่ ตัวเราประกอบส่วนด้วยอาการสามสิบสองอาการสามสิบสองนี่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกเยื่ในกระดูกม้ามตบปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาการสามสิบสองมีหนังมีเนื้อมีกระดูกกระดูกนี่ถ้าตายแล้วนะ เอาไปไว้ที่ป่าชา้าไม่ฝังไม่เผาปล่อยให้หมูนอนแรงกาจิกกินอดูของเรา ก, กร็กระจายไปอยู่ตามนั้นแหละถูกแดดถูกฝนหลายวันหลายเดือนเข้า<ม>ก็ผูกก่อนสลายไปหมดเป็นเท่าเป็นดินไปหมด แต่ว่าใจของเราไปแล้วไปกับบุญกับบาปแล้วถ้าเราทําบาปไว้ก็ไปตามบาปนั่นแหละบาปแหลวพาจิตของเราไปสู่อวายภูมิเราทำบาปไว้บาปพาเราไปสู่ความชั่วสู่ภพภูมิที่ชั่วมีสัติสานเปรตสุลกายสัตว์นรกเป็นต้นนั่น เพราะนั้น ท, ท่านถึงไม่ให้ประมาทในการทำกมดีไม่ให้ประมาทในการให้ทานไม่ให้ประมาทในการรักษาศีลไม่ให้ประมาทในการภาวนาหัดจิตหัดใจของเราให้สงบให้มันมีอยู่อารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าหายใจออก หรือคนที่มีวิธีการอย่างอื่นที่เคยทำมาก็ให้วางไว้ก่อนลองมาทำอนาปานสติดูมันอาจจะไปขึ้นกว่าเก่าอาจจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าที่เป็นอยูนี่ละเอียดขึ้นเราจะเห็นใจของเราต่อเวลา พอใจสงบรู้ไม่สงบแล้วก็เห็นอยู่การพิจาราก็ให้พิจารณาไปเรื่อยสังเกตดูอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นกระดูเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ให้พิจารณาเรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆ พินาเป็นประจำจดกิจของเราปล่อยวางได้หมดเราจึงจะพ้นจากทุกได้ถ้ากิจเรายังไม่ปล่อยวางยังยึดมัน่นถือมั่นอยู่ยังสำคัญผิดอยู่ยังเห็นผิดอยู่ใจของเราก็ไม่หลุดพ้นจากกองทุกได้นี่แหละให้พินา อาการส2สบสองผมขนเล็บฟันนังเนื้ออินกระดูกให้เห็นเพราะนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน้าตาเรา พ, พระจะภาวนาให้ถึงที่สุดได้ก็ต้องมีบุญเราต้องทำบุญทำกุศลเราต้องสร้างสมุณไพความดีไว้เราถึงจะประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เราก็ทำอยู่ปฏิบัติอยู่ลูกศิษย์ลูกห า, ลาหลายคนเพราะว่าทำบุญแล้วจิตใจก็สบายภาวนาก็ขึ้นเนี่ยเพราะะนั้นให้ฟังเอาไว้พิจารณาเอาไว้เพื่อความหมดจดบริสุทธิ์ของจิตของเราให้เราถึงความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรม ในการมาเกิดในวัฏฏะสงสารนั้นนี้จบสิ้นถึงมารคนนิพพาน